จเจริญพรท่านศาสนิะชนผู้มีเจ็ดไ่าบุญไ่ขกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจึงได้ใช้เวลาที่ว่าง น, นี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาวัด มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมลดละอาบายมุขทั้งหลายเช่นสุรายาเมาการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเพราะการกระทำสิ่งเหล่านี้เป็นการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อให้เราได้เกิด มีคุณงามความดีทำให้เราเป็นคนดีคนดีนี้มีคุณค่ามากกว่าคนเก่งคนเก่งแม้จะสามารถหาเงินหาทองได้มากทำอะไรมีชื่อมีเสียงได้มากแต่ถ้าไม่ดีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคนเก่งนั้นถ้าไม่มีความดี ก็จะเอาความเก่งนี้ไปข่มเหงรำแกผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยอํานาจของความโลภของความอยากเพราะโดยธรรมชาติของคนเราทุกคนนั้นอยากเด่นอยากดังอยากเก่งด้วยกันแล้วถ้าเก่งแล้วก็อยากจะรักษาความเก่งความเด่นความดังของตนไว้ไม่ต้องการให้ใครมา ลำหน้าตนเองได้มีวิธีใดที่จะกำจัดคู่แข่งขันได้ก็จะพยายามกำจัดทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาความเด่นความดังของตนไว้แต่ถ้าเป็นคนดีแล้วจะไม่กังวลเรื่องความเด่นความดังคนดีเน้นจะมุ่งไปที่ความสงบน่มเย็นเป็นสุข ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของคนทุกคนที่อยู่ในสังคมอย่าเป็นคนที่ไม่คิดที่จะเอาแต่ตนเองเป็นที่ตั้งเพราะเราอยู่ในโลกของคนที่ต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ในสังคมเราอยู่ของเราคนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่กับผู้อื่นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจะขาดกันไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่ด้วยความสุขด้วยความมั่งมีแต่คนอื่นรอบข้างเรานั้นอยู่ด้วยความยากลำบากอย่างนี้ก็จะอยู่ไม่ได้เพราะจะเกิดการต่อสู้กัน ระหว่างคนที่มีกับคนที่ไม่มีแต่ถ้าคนดีนั้นเวลาเขามีเขาจะไม่คิดที่จะเก็บไว้สำหรับตัวเขาเองเขาจะมองไปถึงผู้ที่เดือดร้อนลาบากยากเย็นมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นได้มีความสุขมีความสบายบ้าง ตามแต่ฐานะของแต่ละคนที่พอที่จะมีได้ดังนั้นขอให้เราจงเห็นความสาคัญในเรื่องความดีมากกว่าความเก่งความเก่งนี้ถ้ามีความดีควบคู่ไปด้วยก็จะดีมากเพราะจะทำประโยชน์ได้มากแต่ถ้ามีความเก่งแต่ไม่มีความดี ความเก่งนี้ก็จะสามารถนำไปทำลายผู้อื่นสร้างปัญหาสร้างเรื่องราวต่างๆได้มากมายกายกองแต่ถ้าเป็นคนดีแต่ไม่เก่งอย่างน้อยก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเองเพราะความดีนี้เป็นเหตุ ที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นคนที่มีความดีนั้นมีลักษณะอย่างไรคือเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาการุณาเมตตาคือมีไมตรีจิตต่อเพื่อนสัตว์เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกมีความปรารถนาดี มีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นเดียวกับตนตนเองปรารถนาอะไรก็คิดว่าผู้อื่นก็มีความปรารถนาเหมือนกันตนเองปรารถนาความสุขก็คิดว่าผู้อื่นก็ปรารถนาความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจะทำอะไรก็จะต้องระมัดระวังว่าการกระทำของตนนั้นจะไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้อื่นหรือไม่เพราะว่าคนเรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกระทำเพื่อดูแลรักษาอัตภาพชีวิตร่างกายของเราเราทุกคนต้องทำมาหากินหารายได้เพื่อมาจุนเจือปัจจัยทั้งสี่ที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีพแต่ในการแสวงหานั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทุกคนสามารถหากันได้ด้วยความถูกต้องดีงามสุดจริตถึงแม้จะเป็นการแข่งขันกันก็แข่งขันกันในกรอบของกฎและกติกาเช่นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬา ที่แท้จริงก็จะแข่งอยู่ในกรอบของกติกาของกฎไม่ไปหาวิธีที่จะแหกกฎกกติกาเช่นสมัยนี้มักจะมีนักกีฬาที่จะใช้ยาเพื่อเสริมบำรุงกำลังของตนซึ่งเป็นสิ่งที่กฎกติกาห้ามไว้ไม่ให้ทำกัน ถ้าทำอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นคนไม่ดีถึงแม้จะได้เหรียญทองถึงแม้จะว่าเก่งแต่ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องไม่สุดจริญไม่ได้นํามาซึ่งความภาคภูมิใจไม่ได้นํามาซึ่งความสุขใจให้กับตนเองแต่คนที่ต่อสู้แข่งขันด้วยความถูกต้องอยู่ในกฎในกติกา แม้จะแพ้ก็มีความสุขใจเพราะมีน้ำใจของนักกีฬาอยู่นั่นเองคือรู้ว่าการแข่งขันกีฬานั้นมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาแต่ถ้าอยู่ในกรอบในกติกาแล้วถือว่าชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่ชนะและผู้แพ้แต่ถ้าผู้ชนะไม่อยู่ในกรอบ กติกาผู้ชนะนั่นแหละคือผู้แพ้แพ้ไผ่ตนเองคือความทุจริตแพ้ความไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีสัตย์นั่นเองไม่มีความสุดเจริตแต่คนที่เขาแพ้ด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตนั้นเขาชนะเพราะเขาได้ความดี เพราะฉะ น, นั้นชีวิตของเราอย่าไปมองที่การแพ้การชนะเป็นหลักอย่าไปดูที่ความร่ำรวยเป็นหลักอย่าไปดูที่การมีชื่อเสียงเป็นหลักอย่าไปดูที่การมีคนสรรเสริญเป็นหลักขอให้ดูที่ความดีเป็นหลักขอให้ดูว่าเรากระทาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วถึงแม้เราจะไม่ร่ำรวยถึงแม้เราจะไม่มีตำแหน่งสูงสูงถึงแม้เราจะไม่มีใคร ย, ยกย่องสรรเสริญโยนยอแต่เราจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าคนที่ไม่มีความดีถึงแม้จะมีเงินทองมากถึงแม้จะมีตำแหน่งสูงถึงแม้จะมีคนยกย่อง แต่จิตใจจะไม่มีความรู้สึกภูมิใจจะไม่มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจเพราะความดีนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราทุกคนมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจถึงแม้ผู้อื่นจะไม่รู้ว่าเราได้ทำความดีหรือเราเป็นคนดีไม่มีใครยกย่องสรรเสริญ แต่เราจะมีความสุขมีความภูมิใจอยู่ในตัวของเราเองเพราะเรารู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรคนที่ไม่ดีนั้นถึงแม้จะมีใครยกย่องสรรเสริญเยือนยอให้รางวี่รางวัลมากน้อยเพียงไรแต่ตัวเขาเองก็รู้อยู่ในใจว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้อื่นเขายกย่องแต่อย่างใดแล้วจะหาความสุขใจ หาความภูมิใจได้อย่างไร <c oughs> <c oughs> ดังนั้นจึงขอให้เราให้ความสำคัญต่อการสร้างความดีทำตัวเราให้เป็นคนดีเป็นหลักเบื้องต้นคือเป็นหลักที่สำคัญที่สุดส่วนรองลงมาคือเรื่องความเก่งนั้นก็พยายามทไป ตามกํากลังความสามารถของเราเท่าที่เราจะสามารถทำได้จะเก่งหรือไม่เก่งนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะใจไม่ได้อาศัยความเก่งเป็นเหตุที่จะนำให้ใจไปสู่ความสุขและความเจริญใจอาศัยความดีเช่นบุญกุศลความซื่อสัตย์สุเจริตเป็น เหตุที่จะพาให้จิตใจนั้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดเช่นที่เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พัฒนากันขึ้นไปส่วนความเก่งนั้นก็อาศัยเป็นเครื่องมือในการเอามาใช้เพื่อที่จะเผยแผ่ ความดีต่างๆให้กับผู้อื่นอีกทีหนึง่งถ้ามีความดีแล้วมีความเก่งก็จะสามารถเอาความดีนี้ออกไปเผยแผ่ให้กับผู้อื่นได้มากถ้ามีความดีแต่ไม่มีความเก่งก็จะไม่มีความสามารถเท่าที่คนเก่งจะสามารถนําเอาไปเผยแผ่ได้เช่นพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งความดีและมีความเก่ง สามารถนำเอาความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกได้เป็นจำนวนมากส่วนตราอรหันตสาวกก็มีความเก่งต่างกันแต่มีความดีเท่ากันคือความดีที่หมายถึงเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสเป็นผู้ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรม ความซื่อสัตย์สุดเจริญมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความอดทนอดกลั้นนี่คือคุณคุณสมบัติของคนดีพระอาหารหันต์และพระพุทธเจ้านั้นมีเหมือนเหมือนกันแต่แต่ความเก่งความสามารถนีมีแตกต่างกันบางท่านก็มีความสามารถในบางเรื่องในบางอย่าง บางท่านก็มีความสามารถในอีกเรื่องในอีกอย่างหนึ่งพาาระอรหันตสาวูกของพระพุทธเจ้าจึงมี <c oughs> ความสามารถแตกต่างกันไปที่จะเผยแผ่ความดีที่ท่านมีอยู่ในใจของท่านให้แก่ผู้อื่นให้ได้รับรู้แล้วให้ได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติตาม ในสมัยนี้พระเกจิอาจารย์ต่างๆท่านก็มีความสามารถแตกต่างกันในการที่จะปลูกฝังศรัท ธ, ธาความเชื่อให้กับสาธารชนบางท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากบางท่านก็มีจำนวนน้อยนี่เป็นเพราะมีความเก่งความสามารถไม่เท่ากัน แต่ความดีนั้นมีเท่ากันถ้าเป็นภาอาหารนั้นมีความดีเท่ากันหมดและความดีนี่แหละที่ทำให้จิตใจของท่านมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่ใช่ความเก่งความเก่งนี่ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีความดีเท่านั้นเถึงจะทำได้ความเก่งนั้นอาจจะทำให้เราหลุดพ้นจาก ความยากจงได้เช่นเรามีความเก่งในการทำมาหากินเราสามารถหาเงินหาทองมาได้เป็นจํานวนมากสามารถมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเสื้อผ้าอาภรณ์อันประีตได้เรื่องร่างกายเรื่องปัจจัยสีน่นี้เราไม่เดือดร้อนเพราะความเก่งความสามารถ แต่ใจของเราเนั่นเป็นอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งใจของเราถ้าเราหามาด้วยความไม่ถูกต้องไม่ซื่อสัตย์สุดจริตใจของเราจะไม่มีความสงบจะไม่ร่มเย็นเป็นสุขจะไม่อิ่มเอิบใจจะไม่ผูมิใจแต่จะมีแต่ความกังว่กังวลถ้าเราไปทำผิดเราก็มีความกังวล เกรงว่าจะถูกผู้อื่นเขาลูกทีหลังว่าเราหาเงินหาทองมาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่หามาด้วยวิธีที่ถูกต้องหามาด้วยความดีงามอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาอยู่ในในกรอบของศีลธรรมของกฎหมาย ดังนั้นจึงขอให้เราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าการมีเงินทองมีตำแหน่งสูงๆนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องหามาด้วยวิธีใดก็ได้อย่างนี้เป็นความหลงไม่ได้พาเราไปสู่ความสุขและความเจริญแต่จะพาเราไปสู่ความทุกข์ความเสื่อมเสีย แต่ถ้าเราหามาด้วยวิธีที่ถูกต้องทั้งกฎหมายและศีลธรรมเราจะมีแต่ความสุขและมีแต่ความเจริญนี่คือเรื่องของชีวิตเราเป็นอย่างนี้ขอให้เราเข้าใจว่าหน้าที่ของเราที่แท้จริงนั้นคือการสร้างความดี ไม่ได้ไปแข่งขันต่อสู้กับผู้อื่นเพื่อให้เด่นให้ดังแต่ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจเราในใจของเรานั้นมีอยู่สองฝ่ายด้วยกันที่ต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาคือผู้ดีกับผู้ร้ายผู้ดีก็คือเวลาที่เราคิดดีพูดดีทาดี นั่นเป็นผู้ดีส่วนผู้ร้ายก็คือเวลาที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีและทำไม่ดีนั่นเองเช่นผู้ร้ายในใจเรามีอะไรบ้างเช่นความโกรธความโกรธนี้ก็เป็นผู้ร้ายเวลาโกรธแล้วจะคิดไม่ดีเวลาเราโกรธใครีิเราจะเกลียดเราจะสาบแช่งเราจะด่าเขาภายในใจแล้วถ้าเราไม่ราพัดระวังถ้าไม่มีสติยับยัง้ง เราก็จะด่าเขาด้วยวาจาถ้ายังไม่มีสติยับยั้งอีกก็อาจจะไปทำร้ายเขาด้วยวิธีการต่างๆนี่คือผู้ร้ายที่มีอยู่ในใจของเราเช่นเดียวกับความโลภ ก, ก็เหมือนกันความโลภมันก็ทำให้เราเป็นผู้ร้ายเพราะเมื่อเราอยากจะได้อะไรมากๆเราก็จะไม่คำนึงถึงความถูกต้องดีงาม ขอให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการทพนั้นจะต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมทำผิดกฎหมายก็ทำกันยังเป็นข่าวที่เราที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถต่อสู้กับผู้ร้ายที่มีอยู่ในใจิตใจของตนได้ปล่อยให้มันฉุดกระชากลากพา ให้ไปพูดให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงาม น, นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราต่อสู้กับตัวเราเองเป็นหลักอย่าไปต่อสู้กับคนอื่นสู้กับคนอื่นเป็นร้อยเป็นแสนเป็นล้านชนะเขาเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านก็สู้ชนะตัวเราเองไม่ได้เพราะเราเวลาต่อสู้กับคนอื่นแล้วชนะเขา ก็ไปสร้างความความเครียดแค้นความอาฆาตพยาบาทให้ให้เขาเกิดขึ้นให้เขามีเกิด <c oughs> ขึ้นกับตัวเราหรือถ้าเราแพ้เขาเราก็มีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นอยู่ในใจเราแต่ถ้าเราเอาชนะตัวเราได้ชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลงได้ ใจเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้ที่จิตใจเราวุ่นวายก็เพราะความหลงนี่แหละหลงกับเรื่องราวต่างๆหลงว่าเรื่องราวเหล่านั้นดีวิเศษจะนำ ม, มาซึ่งความสุขความเจริญให้กับเราเช่อนอะไรเช่นเงินทองเช่น ยศถาบรรดาศักด์ตำแหน่งต่างๆเช่นมีคนสรรเสริญเยือนยอหรือความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทำอะไรต่างๆเหล่านี้ทางศาสนาเรียกว่าเป็นความหลงทั้งสิน้นถ้าจิตใจมีความปรารถนาอยากจะได้เรื่องราวเหล่านี้อยากจะได้ราบยศสรรเสริญสุขแล้ว แสดงว่ากาลังหลงอยู่กำลังไปผิดทางไม่ได้ไปสู่ความสุขและความเจริญแต่จะไปสู่ความทุกข์และความหายนะต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามต่อสู้อย่าไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้นต้องแสวงหาความดีงามความซื่อสัตย์สุดจริต นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะแสวงหากันให้มากๆมีมากเท่าไหร่ <aligned> <develop ogg> จิตใจของเราก็จะจเจริญมากขึ้นท่นั้นดังนั้นเราจึงต้องต่อสู้กับความโลภ ก, กับความโกรธกับความหลงของเราถ้าเราชนะความโลภความโกรธความหลงได้แล้วเราจะมีความสุขเช่นพระพุทธเจ้าแลกพระอภิบาลตัสาวกทั้งหลาย ท่านไม่ได้ต่อสู้กับใครท่านต่อสู้กับตัวของท่านเองท่านชนะตัวของท่านเองแล้วท่านก็ได้ผลอันเลิศอันวิเศษจากการต่อสู้นี้คือได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงและความสงบสุขที่ถาวรคือไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องไปทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพาดจากกันนี่แหละคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นั้นก็แสวงหาความสุขแบบนี้กันทั้งนั้นแต่ไม่รู้เท่านั้นเอง ถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสแสวงหาตามความหลงนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันได้มาแล้วก็ต้องหมดไปมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าอะไรก็ตามเวลาที่เราได้มาใหม่ เราจะมีความสุขแต่สักระยะหนึง่งความสุขนั้นก็จืดจางหายไปแล้วในที่สุดความทุกข์ก็จะมาแทนที่ไม่ว่าจะเรื่องเงินทองก็ดีเรื่องตำแหน่งฐานะต่างๆก็ดีเรื่องการสรรเสริญก็ดีหรือความสุขที่ได้จากการเสดลูกเสียงกลิ่นรสโหดพทพะก็ดี ล้วนจะต้องหมดไปตามตามสภาพของมันมีการเจริญย่อมมีการเสื่อมเป็นของคู่กันเวลาเสื่อมแล้วณนะเวลานั้นแหละจะทุกข์ทรมานจิตใจมากและในขณะที่ยังไม่เสื่อมมันก็สร้างความทุกข์ความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเสื่อมเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้น ก็คอยห่วงคอยกังวลอยู่ตลอดเวลานีเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยสิ่งเหล่านี้อย่าไปปรารถนาอย่าไปอยากได้มาครอบครองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราทำความดีเรามีความรู้คากสามารถสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมาเป็นธรรมดา เช่นเราทำงานทำการได้ความซื่อสับสุเจริญไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องร่ำรวยขึ้นมามีเงินมีทองมีตำแหน่งมีคนยกย่อ ง, องสรรเสริญเยือนยอมีความสามารถหาความสุขจากลูปเสียงกินล้นปวดทับพะได้แต่เราอย่าไปหลงยึดติดไปกับมันอย่าไปอาศัยมันถ้าไม่จำเป็น ใครเขาให้ตำแหน่งให้อะไรเรามาก็รับไว้เท่านั้นแต่ไม่ต้องไปยึดติดว่ามันเป็นของเรารับมาเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเท่านั้นเองส่วนมันจะไปเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะให้มันไปได้ทันทีเงินทองก็เช่นเดียวกันเราจะไม่เอาเงินทองมาซื้อความสุขเราเอาเงินทองมาดูแลรักษาอัตภาพร่างกายก็พอ คือให้ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่เดือดร้อนถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะไม่มีความกังวลกับเรื่องเงินทองมากมจนเกินไปเงินทองจะหมดไปมากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายึดติดกับเงินทองยึดติดกับตําแหน่งอันนี้จะเป็นปัญหาเพราะเวลาเรามีเงินทอง เราก็จะหลงกับการใช้เงินใช้ทองอย่างฟุ่มเฟือยเพราะคิดว่าใช้แล้วจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่ายิ่งใช้เงินไปมากเท่าไหร่ก็จะติดกันนิสัยไม่ดีไปแล้วถ้าเกิดเวลาไม่มีเงินทองจะเดือดร้อนทั้งๆ ท, ที่เงินทองที่จะมีไว้ดูแลร่างกายนั้นก็พอเพียงม่อยู่ แต่เงินทองที่จะไปใช้แบบฟุ่มเฟือยนั้นไม่มีก็ไม่สามารถอยู่แบบมีความสุขได้แล้วเคยกินเคยเที่ยวเคยเล่นอยู่ตลอดเวลาพอไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความหงุดหงิตใจมีแต่ความทุกข์ใจต่างกับคนที่ไม่ได้ใช้เงินทองไปแบบสุรุ่ยสุรายแบบฟุ่มเฟือย ได้เงินทางไปเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นเช่นเสื้ออาหารรับประทานมีเงินไว้ดูแลรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีเสื้อผ้าไว้ใส่พอเพียงมีบ้านอยู่ท่้งนี้ก็จะไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีเงินออกไปเที่ยวก็อยู่บ้านได้ถ้าไม่มีเงินไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็น ก็อยู่บ้านเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือเรื่องของชีวิตของเราสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้ก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองถ้าเราสามารถต่อสู้กับมันได้หรืออย่างน้อยก็ให้มันอยู่ในกรอบของความพอดีชีวิตของเราก็จะไม่วุ่นวายเหมือนกับคนที่ ไม่มีความพอดีปล่อยให้ไหลไปตามกระแสะของความโลภของความโกรธ ค, ความหลงชีวิตก็จะต้องไปมีปัญหาไปมีเรื่องมีราวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักจบจากสิน่นแล้วถ้าเราสามารถชนะความโลภความโกรธความหลงได้แล้วรับนองได้ว่าจะไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับ การชนะนี้เพราะจิตใจของเรานั้นจะสงบล่มเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่ว่าจะยากดีมีจนก็จะไม่เดือดร้อนถึงแม้จะตายไปใจก็ไม่มีความทุกข์กับความตายความเป็นความตายจะไม่สามารถมากระทบกับจิตใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ยากลาบาก แบบไหนก็จะไม่สามารถไปกระทบกับจิตใจที่ตรอช จ, จากความโลภความโกรธความหลงได้เพราะใจนั้นไม่ได้ไปยินดียินร้ายกับอะไรใจสามารถรับกับทุกสภาพได้ไม่ว่าจะรวยจะจนจะเป็นจะตายเพราะใจไม่ได้เป็นไปกับสภาพนั้นๆนั่นเองสภาพนั้นมันก็เป็นไปตามสภาพของเขา เหมือกับตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นมามีแสงสว่างใจก็ไม่ได้ไปมีอะไรกับแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นมาเวลาตกเย็นเวลาพราทิตย์ตกรับฟ้าไปไม่มีแสงสว่างใจก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรกับความมืดที่ตามมานี่คือใจใจเป็นอย่างนี้ถ้าใจรู้จัก กำจักความโลภความโกรธความหลงแล้วใจจะไม่ไปเดือดร้อนกับสภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพของใครก็ตามของผู้อื่นหรือของตัวเราเช่นร่างกายของเรามันก็จะไม่ส่งผลอะไรให้กับใจนั้นนี่คือเป้าหมายของชีวิตของเราที่เราควรที่จะมุ่งไปให้ได้ เพราะไม่มีอะไรจะเลิศจะวิเศษเท่ากับการได้ไปถึงจุดนั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปเป็นจุดที่จะให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยและเป็นความสุขที่ถาวรตลอดอนันตการ นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำให้กับตัวเราได้ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเริ่มนำเอาไปปฏิบัติกับตัวเราเองเราต้องต่อสู้กับความหลงที่พยายามฉุดลากให้เราไปหาลากยศสนรเสริญสุกกันขอให้เราเดินใจเราเข้ามาหาธรรมะกันมาหา หาความดีงามหาความเมตตากรุณาหาความซื่อสัต์สุจริตหาความสงบสมสมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาพยายามดึงใจให้มาทางนี้ให้ได้ถ้าเราดึงมาได้แล้วใจของเราจะไปได้จะได้พบกับสิ่งที่ดีที่งาม แต่ถ้าเราไม่สามารถดึงใจมาได้ใจของเราก็จะต้องไปละหกละเหินไปประเชิญกับความทุกข์ความวุ่นวายกับปัญหาต่างๆไม่รู้จักจบจักสิน้นการกระทำเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนหมายความว่า งานนี้เป็นงานของเราผู้อื่นทําแทนเราไม่ได้พ่อแม่ทําแทนเราไม่ได้กูบาอาจารย์ทำแทนเราไม่ได้ท่านมีแต่หน้าที่สอนเราบอกเราให้ทําความดีให้ละความชั่วให้กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจแต่ท่านทําให้เราไม่ได้ถ้าทําให้เราได้ ป่านนี้พวกเราก็สบายเกินไปแล้วเพราะจะมีใครมีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าได้แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทําให้กับพวกเราได้ก็คือให้แสงสว่างกับเราเท่านั้นเองชี้ทางบอกเราเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเราที่มีความรักมีความปรารถนามีความเมตตาต่อลูกๆ ก, ก็ชี้ทางบอกสอนลูกอยู่ตลอดเวลา ให้ทำความดีให้ละบาปให้ต่อสู้กับความโลภกับความโกรธความหลงอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะนำเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าเรานำไปปฏิบัติได้เราก็สบายแต่ถ้าเราเอาไปปฏิบัติไม่ได้เราก็จะต้องแบกความทุกข์แบกปัญหาแบกความวุ่นวายไป ต, ต่อไป อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นไม่มีไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นถ้าเราเห็นว่าอยู่ที่ตัวเราเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นอย่าเป็นคนอ่อนแออย่ากลัวความทุกข์ยากลาบากอย่ากลัวการต่อสู้กับความโลภ ก, กับความโกรธความหลงถึงแม้จะทุกข์จะยากจะลาบากอย่างไร ก็ขอให้คิดว่าเป็นเหมือนกับการผ่าตัดเรามีโรคร้ายแรงอยู่ในร่างกายของเราและวิธีการที่จะหายจากโรคร้ายแรงนี้ได้เราต้องผ่าตัดต้องให้หมอผ่าตัดถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องตายไปเราก็ไม่มีทางเลือกทางเลือกก็คือเราต้องตายไปแต่ถ้าเราผ่าตัดถึงแม้เราจะเจ็บบ้าง แต่เมื่อแผลหายแล้วโรคหายแล้วเราก็จะสบายฉันใดการต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงก็เป็นเหมือนกับการผ่าตัดพราะมันทุกข์ทรมานใจมากทุกครั้งที่เราอยากจะกินอะไรที่เราเคยกินแต่เรารู้ว่ามันไม่จําเป็นเราก็ต้องต่อสู้กับมันเช่นอยากจะดื่มสุราอย่างนี้ เรารู้ว่ามันไม่มีความจำเป็นกับร่างกายของเรามีแต่โทษแต่เราติดมันไปแล้วทุกครั้งที่เราอยากดื่มเวลาเราได้ดื่มมันก็เราก็รู้สึกว่ามีความสุขแต่ถ้าเราไม่ได้ดื่มเราก็รู้สึกทรมานใจแต่เรายอมทรมานใจไปทักระยะหนึ่งดีกว่าเพราะเมื่อเราสามารถที่จะยับยั้งไม่ดื่มสุราได้ อีกไม่นานมันก็จะหายไปเองความทุกข์ทรมานใจมันจะหายไปพร้อมกับความอยากดื่มสุราเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆเช่นอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยก็เช่นเดียวกันหรืออยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เช่นเดียวกันเวลาอยากจะไปแล้วมันแสนทรมานใจถ้าไม่ได้ไปแต่ถ้าเราฝืนมันต่อสู้กับมันไปสักระยะหนึ่ง ต่อไปความอยากมันจะหมดไปหายไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วต่อไปมันก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกวุ่นวายใจกับการที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนนี่คือการแก้ปัญหาที่ใจของเราเป็นอย่างนี้มันต้องทุกข์มันต้องเจ็บเป็นธรรมดาแต่มันเมื่อมันผ่านไปแล้วมันหายแล้ว มันสบายมันจะสบายไปตลอดเมื่อเราไม่ดื่มสุราแล้วต่อไปเราก็สบายไม่ต้องไปซื้อสุรามาดื่มทุกวันเมื่อเราไม่ต้องออกไปเที่ยวแล้วต่อไปเราก็สบายไม่ต้องออกไปเที่ยวไม่ต้องไปหาเงินมาเที่ยวเมื่อเราไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วเราก็สบายไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อของฟุ่มเฟือย เพียงแต่ในระยะที่ต่อสู้กันที่มันลําบากหน่อยเท่านั้นเองแต่มันไม่สุดวิสัยและมันไม่นานไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการต่อสู้ก็จะหมดไปถ้าความโลภความโกรธความหลงได้ถูกทําลายจนหมดสึ่งไปแล้วแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมีเงินทองแต่มีความสุขมากกว่ามาหาเศรษฐี นี่เป็นสิ่งที่รับรองได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาลกได้รับรองมาแล้วเป็นความจริงจิงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในการทำความดีในการต่อสู้กับความเลวร้ายทั้งหลายที่มีในจิตในใจของเราคือความโลภความโกรธความหลงขอให้เชื่อว่าเราสามารถเอาชนะมันได้ถ้าเรามีความตั้งใจมีความอดทน ักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ชนะได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการสร้างความดีต่อสู้กับความเชื่อนี้ให้ท่านนำเอาไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแค็งแก่งปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถอ